ตอนนี้โยมมาเยอะทุกวันนะหลวงพ่ อ, พอจนปัญญาไม่รู้จะคุยด้วยทั่วถึงได้ยังไงตอนอยู่เมืองการก็ยังไม่เยอะเท่านี้มาวันหนึ่งสิบกว่าคนห้าคนสิบคนอะไรนี่นะมันเรียนกันตัวต่อตัวได้ธรรมะที่เรียนแล้วมีคุณภาพมากที่สุดนี่คือลูกศิษย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลย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 ช่วยได้แค่นั้นล่ะปัจจุบันนี้ที่ที่ที่เห็นแต่ละในแต่ละวันนะวุฒไม่ต้องพนมมือนะวุฒถือไม้ใกล้ๆปากนี่เลยครับก็ก็เห็นคือคือไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็จะมีก็ก็จะระลึกรู้เห็นแบบว่าเอ่อคิดนึกมองได้ยินนี่มันก็เห็นมันเอ่ออืมคือมันรู้ตามทันไปเอง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 มีความฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาจิต<ฆ>ใจนะ เ, เขาทำงานของเขาทั้งวัน<ฆ>เขาปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างไม่เป็นปัญหานะจิตจะปรุงกุศลจิตจะปรัวกุศลไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตมีอกุศลนะหาทางละจิตเป็นกุศลพยายามรักษาหรือพยายามทาให้กุศลเกิดขึ้นมา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 ร่างกายเคยขยับเคยยืดเคลื่อนไหวเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนท่านั้นท่านี้เราก็เริ่มไปจำกัดมันต้องอยู่ท่านั้นต้องอยู่ท่านี้ต้องเดินอย่างนั้นถึงถูกต้องนั่งอย่างนี้ถึงจะถูกเดินท่านั้นผิดเดินท่านี้ผิดนี่เราพยายามเข้าไปแทรกแซงขันเวทนาเขาก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเขาเฉยเฉยพอเราเห็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่ชอบนะ พยายามแทรกแซงให้หายไปแล้วความสุขก็พยายามแทรกแซงให้มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วแทรกแซงจะรักษามันไว้เนี่ยเราเข้าไปหลงแทรกแซงขันห้าสัญญามันจะจําได้มันจะหมายรู้ก็ไปแทรกแซงที่อุ้ตเคยพลาดเรื่องแทรกแซงสัญญาตัวนั้นจําได้ใช่ไหมเห็นโต๊ะไปเรียกว่าเก้าอี้อะไรเงี้ยนะไปแทรกแซงทําให้มันสับสนเสร็จแล้วจะอยู่ในโลกสมมตินี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาไม่ตรงกับใครเขาเลย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 นะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเราจะให้ขันทํางานไปโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงขันใจที่มันสงบตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงขันเห็นขันไว้ตามความเป็นจริงใจดวงนี้เนี่ยใกล้ต่อมรคนิพพานที่อาจารย์วัฒนาถามสังขารุเบกขาญาณเมื่อเช้าเนี่จิตที่มันตั้งมั่นด้วยปัญญานะตั้งมั่นมีปัญญาอยู่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 งั้นไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากนิพพานเลยไม่มีใครกีดกั้นเราจากมรรคผลเรากีดกั้นตัวเองด้วยความอยากจะได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละพออยากจะได้ขึ้นมาก็ดิ้นรนใหญ่เลยหาทางทํายังไงจะได้ทํำยังไงจะถูกเวลาเรียนธรรมะก็ชอบถามนะจะวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะถูกจะทํายังไงถึงจะดีทํายังไงจะมีสติได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแต่จะทำอะ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 นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติผิดอยากดีอยากดีอยากจะพ้นจากความชั่วอยากดีอยากได้รับความสุขนะพ้นจากความทุกข์อยากได้ความสงบพ้นจากความฟุ้งซ่านแท้จริงแล้วไม่มีใครทำขันนียให้สุขถาวรได้ไม่มีใครทำขันให้สงบถาวรได้ไม่มีใครทำขันให้ดีถาวรได้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 พวกเราพยายามปฏิบัติจะให้ขันเป็นสุขเช่นอยากให้จิตสุขถาวรเนี่ยถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติผิดแน่นอนเลยงั้นสิ่งที่เราทําชาวพุทธทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะสุขทํำยังไงจะสงบอันนั้นศาสนาอื่นเขาก็ทําสิ่งที่ชาวพุทธเหนือกว่าศาสนาอื่นๆที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆก็อยู่ที่ตัวปัญญานั่นเอง สิ่งที่ทำให้าศาสนาพุทธต่างจากคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องสมาธินะาศาสนาอื่นก็มีศีลมีสมาธิแตกต่างก็แตกต่างในรายละเอียดอย่างคริสต์เนี่ยกินวายได้ใช่มประเทศเขาหนาวเขาก็กินได้สิแตกต่างกันไปส่วนสมาธิก็หลักอันเดียวกันหมดจะศาสนาไหนก็มีเรื่องของสมาธิมุสลิมละหมาดวันละหาครั้งเหมือนเราสวดมนต์นั่นเองนะ ใจจดจ่อยเขาจดจ่อกับพระเจ้าจิตใจเขาสงบจิตใจเขามีความสุขแม้สมถทาเป็นของสาธารณะนะสมาธิเป็นของสาธารณะศีลก็เป็นของสาธารณะนักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องการมีศีลเหมือนเหมือนกันศีลแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ปัญญาต่างหากที่ไม่เหมือนกันคนอื่นเนี้ยสอนเพื่อมุ่งความสุขถาวรความเป็นอมตะ แต่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าไม่มีทางทําขันให้เป็นสุขขาวรได้หรอกขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เคยได้ยินอริยรสัจสใช่ไหมอริยรสัจสี่ข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้านะขันห้าคือตัวทุกข์ไม่มีใครทําขันห้าให้เป็นตัวสุขได้แต่ว่าพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมักจะมุ่งหวังให้ขันห้ามีความสุขตั้งเป้าผิดนะ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 ยิ่งดินก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นเวียนไปเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดเลยแล้วก็ดินน้นทำยังไง่าพ้นทุกข์ทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำไงกายนี้ใจนี้จะพ้นทุกข์พ้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเนยเห็นขันก็ส่วนขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคืนขันให้กับโลกไปคืนขันให้ธรรมชาติไปคือคืนก้อนทุกข์ให้โลกไป น, นั่นเองโลกนี้เป็นทุกข์นะขันเป็นทุกข์คำว่าโลกกับขันก็คําเดียวกันนั่นแหละ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 แล้วไม่ได้ดูเฉยๆนะบีบด้วยนะเข้นมันทั้งวันเลยเข้นมันทั้งวันวเวลาตันหาเกิดทีหนึ่งเข้นทีหนึ่งตันหาเกิดทีหนึ่งเค้นทีหนึ่งตัวมันเองก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเป็นภาระมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นภาระนะไปหยิบเวยขึ้นมามันก็เป็นภาระหรืเป็นทุกข์ขึ้นมาแถามยังไปบีบไปเข้นมันด้วยตันหาอยู่นะมีทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นมาอีกงั้นอย่าไปหลงกล น, นะให้รู้ลงไป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 เวลาเจ็บหนักๆเคยเห็นไหมตามโรงพยาบาลคนไข้เจ็บหนักนะอยากตายเมื่อไหร่จะตายโวยเมื่อไหร่จะตายโวยมันไม่รักกายแล้วนะเพราะกายนี้ทุกอย่างนี้เห็นแต่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นทุกข์มองไม่เห็นนั่นการปฏิบัตินะพวกเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะมันไม่อ้อมค้อมวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้โสดาบันวันใดไม่ยึดถือจิตมันนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ ว่าสิ่งที่ยึดที่สุดเลยคือจิตนั่นเองงั้นเรียนรู้นะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองครูบาอาจารย์หลวงพ่อเยอะนะหลวงพ่อเริ่มต้นเลยหลวงพ่อฝึกกับท่านพ่อรีได้สมถะฝึกสมถะยี่สิสองปีอนาปานาสติต่อวิปัสสนาไม่เป็นท่านพ่อรีอยู่ได้สองปีก็ไม่อยู่แล้วหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ยี่สิบสองปีแล้วไปเจอหลวงปู่ดูล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 ยังเป็นคู่คู่อยู่อใจเราไปรู้สิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยใจเรามักจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้เรารู้ทันจิตใจเราไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันไหมมันจะเป็นกลางขึ้นมาเป็นกลางเองนะอย่าไปข่มให้เป็นกลางนะเป็นกลางทําได้ไหลายแบบเป็นกลางเพราะสมถะก็ได้เป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาก็ได้มีหลายแบบ ว่าต้องเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกสังขารู้เบกขายานนั่นเองยานแปลว่าปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าเราภาวนาจนถึงสังขารู้เบกขายานนี้ก้าวถัดไปนะั่นแหละกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางกับสังขารยังไม่เกิดอริยมรรคหรอก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 มันจะเกิดสภาวะอย่างนี้นะทั้งหมดสี่ครั้งแต่ครั้งที่สี่เนี่ยมันจะไปพิจรารณานิพพานร้นรนๆเพราะไม่มีอะไรกิเลสอะไรจะให้พี่หนาอีกละในะจิตใจเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะคาสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่เคยเห็นอะไรอัศจรรย์นขนาดนั้นมาก่อนนะงั้นคาสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่นะัไม่ได้สูญหายในภาคปริยัติก็ทรงเอาไว้ได้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 ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะช้ากว่านี้ไม่ทันแลศา ส, สนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้ใครจะรู้ต่อไปมันจะไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะงั้นพวกเราเวลาทำบุญนะอย่าอธิฐานอยากเจอศาสนาพุทธแล้วอธิฐานขอให้ได้เกิดเมืองไทยอย่าอธิฐานอย่างนั้นนะถ้าอธิฐานก็ขอให้เจอศาสนาพุทธขอให้ได้เจอสัมมาทิฐิถ้าจะอธิฐาน เกิดที่ไหนก็ให้อยู่ในแวดวงของสัมมาทิฏฐิธิฐานอย่างนี้อย่าอธิษฐานว่าเกิดชาติใดก็ขอให้อยู่เมืองไทยนะเพราะเมืองไทยจะมีาศาสนาพุทธไม่แน่นะไม่แน่นะพวกเราชาวพุทธจริงๆนะครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมานานแล้วยี่สิบสามสิบปีมาแล้วบอกคนทั้งโลกมีหลายพันล้านคนนะที่รู้จักาศาสนาพุทธมีนิดเดียว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 นิ่งพอมีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้างเงั้นศาสนาพูดหายไปเลยแต่จะดีที่สุดเลยถ้าพวกเราศึกษาธรรมะจนได้ธรรมะคารวาดก็ทำได้นะหลวงพ่อยืนยันนะคารวาดก็เป็นพระอริยบุคคลได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่เป็นได้ถ้าคารวะคนใดไม่ละทิ้งการเจริญสติปัฏฐานการมีสติรู้กายตามความเป็นจริงมีสติรู้ใจตามความเป็นจริง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 เป็นผู้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนในาศาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาของเรายังเป็นศรัทธาที่กลับกรอกได้จิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวหลวงพ่อนะโดยนิสัยหลวงพ่อนะ่ะไม่ชอบยุ่งกับใครเลยวันวันหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวเงียบเงียบนี่เป็นนิสัยเลยนะแต่ทุกวันนี้ต้องฝืนใจนะมาคุยกับญาติโยมเยอะแยะทุกวันเลยพระก็เยอะโยมก็เยอะนะมันฝืนธรรมดาฝืนปกติ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 อยากไปดูนกปากห่างขับรถไปไปเจอสะพานสะพานต่างจังหวัดมันมีสะพานเล็กๆอะ่ะที่ข้างบนมันแบนๆอะเราไม่เคยเห็นนะ่าสะพานชนิดนั้นในกรุงเทพไม่เห็นมีเราก็ขับมาปกตินะร้อยหนึ่งยี้ชนขอบสะพานตึง้งลอยขึ้นกลางอากาศเลยทั้งสี่ล้อเลยหัวเรานี่กระแทกไปด่าเลยแม่ชีนั่งไปด้วยแม่ชีก็หัวโนมหน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 เรสอนกันถึงจิตถึงใจจริงๆถึงสภาวะธรรมจริงๆไม่มีใครเขาสอนกันหรอกนะหลวงพ่อก็สอนให้ฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะอดทนนะบางคนมานะหวังจะได้รับคําชมมาก็มีนะอไปฝึก อ, อะไรมาประหลาดประหลาดหวังจะให้หลวงพ่อชมหลวงพ่อไม่ชมโมโหก็มีนะนะบางคนไม่มีสติมาเลยนะเราก็สงสารนะบอกพูนรู้สึกตัวไว้โมโหนะระบาดหน้าใสาพลืดเลย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 ไม่ต้องทําเสน่หะ์นะมีเสน่ห์เองนะสังเกตไหมครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์ยิ่งตรงไหนเจริญเมตตามากๆคนไปนั่งเฝ้าได้ทั้งวันนะเป็นนั่งแล้วก็น้าหูน้ําตาไหลพลื้มอยู่งั้นแนหะแต่วัดหลวงพ่อไม่ได้นะเคยมีเหมือนกันพวกมาพลื้มน้ําหูน้ําตาไหลนะไหลครั้งแรกไม่ว่านะครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ปล่อยไว้ล้วทำไมชาตินี้จะเอาแค่นี้เหรอ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 คุณรู้สึกไหมตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วเบอร์สามนึกออกไหมมันไปเองนึกออกไหมห้ามมันไม่ได้มันทํางานของมันได้เองในการที่เราเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือเห็นอนิจจงเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะถ้าลงเห็นกายเห็นจิตลงเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ใช้ได้ล้วโดยเฉพาะถ้าเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะใกล้กับมรรคนิพพานแนละ้วแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเบอร์สาม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 บางช่วงเนี่ยมันต้องการรวมกําลังก่อนก่อนที่จะทําสงครามแตกหักจะรวมมันจะรวมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะนั่งภาวนาเหมือนหัวซุกหัวซุนอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าแบบขี้เกียจขี้คล้างแล้วหัวซุกหัวซุนไม่ได้นะทนละเรื่องกันเดี๋ยวจะมาบอกนั่งอย่างนี้หลวงพ่อประโมทยส่งเสริมอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งเหมือนวัวเหมือนควายแล้วปิดไปเรื่อยอย่างนี้นวยลยต้องรู้สึกตัวรู้สึกไป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 ทั้งหมดนี้เกิดดับนี่สมยศอย่าไปเล่าร้อนใจเวลาบางช่วงสติปัญญาอ่อนกําลังลงแล้วเราตกใจนะเราตกใจเราดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งๆๆเนิ่นช้าสมยศรู้สึกไหมตอนนี้ใจก็มีแรงขึ้นมาครับเนี่ยง่ายๆอย่างเนี้นะรู้สึกไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะนีไปคิดทราบไหมสมยศราบครั บ, ร, บรู้ทันเรื่อยๆ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 อย่า ก, กลัวโง่นะเรียนธรรมะไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ได้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ยอมเลิกหรู้ไหมอ้คนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยว่าไงมีอะไรจะส่งกันบ้านไหมเอออ่าวเดี๋ยวรับใหมห่เย ก็จะรู้สึกว่าตอนระหว่างวันจะเผลอบ่อยค่ะจะจะรู้สึกทีก็มักจะเย็นเลิกงานแล้วเออไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เรียกเผลอบ่อยอย่างนั้นเรียกว่าเผลอนานถ้าเผลอบ่อยดีนะแต่เผลอระหว่างรู้สึกแวบรู้สึกแต่ตอนระหว่างทำสมาธิวิปัสสนาจะรู้สึกว่าเพ่งเป็นบางช่วงค่ะจะมีเมื่อยเป็นบางจุดแต่ก็พยายามปล่อยวางแล้วลองมองไปที่ตรงเมื่อยแล้วสักพักมันก็จะหาย เด็ก็จะทําอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆเออไ ด, ไ ด, ได้ขอให้รู้ทันเท่านั้นหละกรรมฐานอะไรไม่สําคัญหรอกขอให้รู้ทันเท่านั้นเลยรู้ทันกายรู้ทันใจลงเป็นปัจจุบันกรรมฐานอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรใช้ได้อาจารย์วัฒนาัส่งไปข้างหลังหน่อยวัฒนามาหลายวันละธรรมสถารครับหลวงพ่อครับวันนี้ผมจะลากลับแล้วครับมาอยู่ครบเจ็ดวันครับอืมอ คราวก่อนในงานหลวงพ่อว่ามีเหมือนโอปป้าติกะเข้ามาสัมผัสเมื่อเช้านีเพิ่งเจอว่าเวลาเดินบิณฑบาตด้วยกันพบหลวงพ่อท่านองค์หนึ่งท่านเล่นวิชาอาคมอยู่ครับในในช่วงที่โยมอยู่บนลานจงกลมจะพบว่าบางทีมีสัมผัสมาแปลกๆเราเราก็ทราบว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเรา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 จะว่าประจันหน้าหรือว่าจะไปปกป้องอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ที่อยากจะถามหลวงพ่อคือว่าเรามีข้อสังเกตได้อย่างไรว่าไอ้ไอ้ไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนี้อันไหนคือสิ่งปรุงแต่งของเราอันไหนคือคืออ่าจิตวิญญาณหรืออันไหนคือวิชาที่เดรลฉาวิชาก็ทํามางนั้นครับจันย้อนมาดูจิตตัวเองนะถ้าถ้าเราย้อนกลับมาดูจิตตัวเองเนะี่ยแล้วถ้าเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมันจะดับหมดเลย พอเราย้อนกลับออกไปดูข้างนอกจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นของปลอมเอ้ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูของเราใจเราเคลียร์หมดแล้วนะย้อนออกไปดูเจอนะเอออันนี้ยของที่มันมาจริงๆรนะิย้อนกลับมาที่จิตนะความจริงไม่อยากให้รายงานเรื่องพวกเนี้เดี๋ยวญาติโยมจะกลัวผีนะแต่ฟังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะหลายคนชอบไปคิดเอาเองว่าผีไม่มีที่ผีไม่มีเพราะไม่เคยเห็น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 เพราะว่าเจ้าว่าขันมันแยกออกไปก็ไม่เชิงเพราะว่าไอ้ที่รู้นั้นจิตมันไปรับรู้อตัวโน้ตบ้างตัวนี้บ้างอย่างเนี้ครับ ม, มันเลยว่าเหมือนกับว่าขันนั้นมันแยกออกไปใช่ใชก็ถูกแล้วเพราะจริงๆมันก็อยู่อย่างนี้แหละแต่สติระลึกรู้รูปใช่ไหมเห็นรูปรอยู่ต่างหากเวทนาความจริงก็ซ้อนอยู่กับรูปแต่พอสติไประลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาต่างหากจากรูปอย่างนี้ก็ถูกและ เมื่อเช้านึกว่าอาจารย์พูดเรื่องจิตฟุง้งซ่านอันนั้นไม่ใช่จิตฟุง้งซ่านนะจิตรู้รูปจิตรู้เวทนาจิตรู้อะไมันรู้ได้ครั้งแรกอย่างเดียวอยู่แล้วโดยธรรมดาของ ม, มันก็เห็นอย่างนั้นแหละมันจะเห็นว่าทีแรกมันจะเห็นเป็นคู่ๆนะกายก็อันหนึ่งจิตก้อนหนึ่งเวทนานหนึ่งจิตอันหนึ่งจะแยกนี่ต่อไปมันก็จําได้ว่ากายกับเวทนามันก็คนละอันกันบางทีจิตก็ะระลึกรู้กายบางทีจิตก็ะระลึกรู้เวทนาบางทีก็ะระลึกรู้สังขาร บางทีเราลึกรู้จิตอย่างี้ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะมี ม, มีตรงจุดที่เรารู้บ่อยๆนะครับพระอาจารย์ครับในในขณะที่จิตไปรู้คล้ายๆกับว่ามันเป็นสภาวะว่างอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่จิตถอยออกจากตรงนั้นมาเราจะพบว่าจิตจะพยายามอาหาคาพูดหาคาอธิบายตรงนั้นคล้ายๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทําทไมจิตจึงชอบทํามีวิถีจิตแบบนี้นอกจากจะอธิบายได้แล้วชอบจะยกตัวอย่างเป็นสองอย่างสามอย่างนะสังเกตยอยู่อย่างนี้ออแต่ทีนี้ถ้าจะจะให้มันรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวจะรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดเคืองหรื อ, รอมมันมันทำไม่ได้มันเป็นนิสัยนิสัยคนที่จะเรียนไปเป็นครูเขานะมันไปรู้สภาวะแล้วมันอดที่จะศึกษาวิเคราะห์ไม่ได้ตัวเนี้ที่ทาให้ช้าคนอื่นเขารู้แล้วเขาวางไปแล้ว ขอเราไปรู้อะไรแปลกๆนะ ค, คล้ายครวญอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่ยงั้นถ้ายังไม่แจ่มแจ้งว่ามันคืออะไรเป็นอะไรมันทําหน้าที่อะไรแล้วมันเกิดมาได้ยังไงเลยไม่เลิกจะคนน้ น, น, น, นะว น, น, น, นคนว้าอยู่อย่างนั้นนะปรับใดที่ยังไม่รู้เขาเรียกลักษณะที่จตุกะลักษณะสี่อย่างของมันนะของสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่ไปเห็นจะไม่ยอมเลิกอะจะค้นคว้าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนิสัยคน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 ส่วนองค์ที่เล่นศิลศาสตร์ก็ช่างท่านน่าอย่าชวนมานี่นะ <c oughs> ที่เกียรตยุ่งล <c oughs> งพ่อบวชทางสุรินมาก่อนไปภาวนาก็อยู่ทางสุรินนะทางน้นก็เล่นกันเยอะทั้ทงพรทาทั้งโยมชอบเล่นมันไม่ใช่เรื่องหลอกๆเลยนะไม่ใช่นิยายนะ <c oughs> เล่นอะไรกันแปลกๆมันเป็นเรื่องของพลังงานของจิต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 ตอนที่เคลิมเิบบีบคอเลยก็มีนะเห็นโล่งๆอย่างนี้พูดอย่างนี้พวกอินทรีย์อ่อนๆจะได้ยังไม่ขอราะงั้นเดี๋ยวคิวยาวเกินไปนรรมชาติหลวงพ่อนะคะชื่อหนูมีคำถามประมาณสองคำถามคำถามแรกคืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้ค่ะคือหนูก็เคยเรียนมาทั้งฝึกลมหายใจแล้วก็พองยุบคราวนี้พอเวลาเราทาเนี่ย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 แล้วมันก็วิจัยการเพ่งให้ฟังน ะ, ะการเพ่งเนี่ยคือการการเผลอแบบมีปัญญา <c oughs> แต่ไม่เผลอโง่โนะง่นะเผลอโง่โงนี่หลงไปเลยแต่เพ่งไว้เนี่ยเผลอแบบมีปัญญาถูกกราพิธามเป๊ะเลยนะเพราะจิตที่ไปเพ่งนะเป็นกุศลนะมีปัญญามันกันแหละแต่เป็นปัญญาในขั้นโลกียะปัญญาขั้นสมมตหลวงพ่อครับเวลาที่ปฏิบัตินะครับ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 ตัวนั้นกวางกั้นไม่ให้มันเกิดปัญญาตัวจริงตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมครับครับคุณนึกถึงความรู้สึกตอนก่อนที่จะหัดปฏิบัติได้ไหมความรู้สึกของเราตอนเป็นเด็กๆอนะไรเนี่ยใจแบบเด็กๆอ่ะครับใจที่ว่าได้ของชอบใจมาก็ดีใจหัวเราะนะเจอของไม่ชอบใจก็โมโหหรือร้องไห้เสียใจเนี่ยความรู้สึกที่ซื่อๆรู้ไปอย่างซื่อๆเลยนะสวมหัวใจเด็กไปนะล้วภาวนาง่าย ถ้าสวมหัวใจนักปฏิบัติภาวนาลำบากม่าเด็กเนี่ยเป็นมันมีธรรมชาติที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วมากเลยว้าเด็กไม่ติดของเก่าดนั้นเรียนของใหม่ได้ง่ายคือบางครั้งเวลาเวลากรรมฐานไม่รู้ว่าจะจะไปตามนิมิตไปเพื่อเป็นสมถะหรือว่าจะไม่ตามนิมิตนะอย่าตามนิมิตไปให้ย้อนมาดูจิตของเราเองครับไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะย้อนมาดูใจเราไว้ เช่นะพอมีนิมิตอย่ารู้วยาเป็นสว่างขึ้นมาใจเราเกิดยินดีให้รู้ว่ายินดีใจเราไหลตามไปให้รู้ว่าใจไหลตามไปครับคือบางทีไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามนิมิตไปมันก็เหมือนกับมันมันมันขึ้นมาตลอดขึ้นมาเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจกับมันครับนะให้คอยรู้กายรู้ใจไปแต่ถ้านิมิตจะเกิดจริงๆนะ น, น้อมมันกลับเข้ามาหาร่างกายเนี่ยพิจารณากายลงเป็นปติปูลเป็นอสุภะเลย